เมื่อเช้านี้ได้กล่าวถึงว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากูสันธานั้นพระโมคคัลลานะได้เป็นมารนะแล้วก็พญามารทุกวันเนี่ยมาราธิราชพญามารทุกวันนี่ถือว่าเป็นหลานของพระมหาโมคคัลลานะนะซึ่งอยจะให้ฟังสลับบ้างในมาราตัชเนีสูตรมัชฌิมนิกายมูลปันนาสกล่าวว่า สมัยหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะมิฆทายาวันในเพสการาวันเขตเมืองสุงสุมารคีระในพัคชชนบทครั้งนั้นพระมหาโมคลานะจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารผู้ลามกเข้าไปในท้องเข้าไปในไส้เข้าไปเป็นพยาิอยู่ในท้องคล้ายแบบนั้นพระมหาโมคลานะก็ได้มีความดําเดจขึ้นมาว่า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 การเบียดเบียนนั้นอย่าได้เป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่ท่านตลอดกาลนานพญามารก็ยังคิดต่อไปอีกว่าแม้สมณะที่เป็นาศาสดายังไม่รู้จักเราไวสมณะที่เป็นสาวกจะรู้จักเราฉนัยแม้สาวกกจะรู้ขนาดพระพุทธเจ้ายังรู้จักเรายากวา ง, งั้นสาวกกจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเราอยู่ในทอ้องก็นั่งแช่ต่อไป พระมหาโมคขาลานะก็บอกมารผู้มีบาปอีกต่อไปว่ามารผู้มีบาปท่านจากักนะท่านจากักเข้าไปเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้แหละท่านอยากเข้าใจนะว่าสมณะนี้ไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านมีความคิดว่าสมณะนี้ไม่รู้และไม่เห็นเราก็กล่าวว่ามารผู้มีบาปท่านจงออกมาก็คือพระโมคขาลานะเล่าให้ฟังทั้งที่ทคําที่ท่านพูดและความคิดของมารด้วย มารผู้มีบาปก็คิดว่าสมณะนี้รู้จักเราสมณะนี้เห็นเราก็เลยออกจากปากของท่านพระมหาโมคะลานะแล้วก็ไปยืนอยู่ที่บานประตูนะออกมาเฉยๆนะฮะยังกะเชื้อโรคชนิดหนึ่งอ่ะนะจึงพยามาเนี่ยเป็นเทพชั้นปารานิมมิตตวะสวัสดีเนี่ยนะไม่ไม่น่าคิดทําอะไรที่แปลกประหลาดอะไรขนาดนี้เลยนะแต่อย่าลืมว่ามารผู้มีบาบมีจิตอ่าเรียกว่าโดยปกติมีจิตริษยา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 เห็นท่านพระสันชีวะเที่ยวบินทบารแล้วก็พูดกันว่าท่านผู้เจริญนี้นะ่าอัศจรรย์แปลกประหลาดเนอะสมณะนี้นั่งทำกาละแล้วสมณะนี้กลับมีสัญญาอยู่ด้วยเหตุนั้นก็เลยชื่อว่าท่านสันชีวะพระสันชีวะก็เกิดชื่อว่าสันชีวะสันชีวะโอ้ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านมีชีวิตอยู่ขนาดเผาเสร็จแล้วยังเรินมาบินทบารได้เลยมนะั้งมานผู้ลามกนะเนี่คือพระพระมหาโมคคลานะคุยกับมานอยู่นะว่ามานผู้ลามก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 บริพาทช่วยกันเสียดสีเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าชะนยันยภิกษุเหล่านั้นถูกพวกขั้นดา่าบริพาทเสียดสีเบียดเบียนอยู่ก็พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยอาการที่ทูสีมานพึงไปช่องมานะ้ามาช่วยกันด่าพระถ้าพระมีอาการแปลกประหลาดเสร็จเราแนะ่มาท่านก็เลยไปดลใจให้ชาวบ้านช่วยกันดา่า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 เป็นเหมือนกับลิงเหมือนกับข้างนอนอยู่แต่ตามป่าพวกนี้เกิดจากเท้าของมหาพรหมแบบนั้นเขาเนี่ยระดับเขาเกิดจากปากใช่ไหมพวกนี้เกิดที่หลังเท้าพวกชั้นคนกรรมกรนะพวกนี้ระดับอยู่โน่นอ่ะอยู่บนหลังเท้าอยู่แทบเท้านะเหมือนกับว่าจะเตะก็ตายอะไระแบบนั้นอ่ะนีแล้วก็พากันพูดว่าพวกเราเจริญชานเจริญชาน เนี่ยพวกนคีโมบอกว่าเนี่ยพวกเราเจริญชานพวกเราเจริญชานที่ไหนได้เป็นผู้คอตกก้มหน้าขี้เกียจรำพึงซบเซาห้อยเงาเหมือนนกเขาจ้องหาหนูที่กิ่งไม้นะ ส, สันหารคำดาพระนะเริ่มเหมือนกับอะไรพากันเนี่ยนั่งคอตกก้มหน้าเกียดคร้านรำพึงซบเซาห้อยเงาเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาใกล้ฝั่งแม่น้ำ พิสูจเหล่านี้นะคอตกก้มหน้าขี้เกียจ ร, รำพึงซบเซางอยเงาเหมือนกับแมวจ้องหาหนูที่ต่อเรือนในอันรงรังและอยากเยื่อเหมือนแมวคอยจ้องดูหนูอ่ะนะถ้า พ, พิสูจน์เหล่านี้นะเป็นผู้คอตกก้มหน้าขี้เกียจ ร, รำพึงซบเซางอยเงาเหมือนกับปลาอขอไปเหมือนกับลาที่ปลดต่างแล้วต่างก็รำพึงซบเซางอยเงาอยู่ฉะนั้น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 เขบอกว่าการไหว้ผู้มีศีลได้บุญหาประมาณไม่ได้การด่าผู้มีศีลก็บาปหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นก็ขุดตนก็เรียกว่าขุดขุดตนตกนรกไม่ใช่น้อยเลยตอนนั้นพระมาเนี่ยนะเพราะพระโมกขลานะก็เลยเนี่ยเจ็บปวดประจำเนี่ยก็เพราะกรรมเหล่านี้แหละพระโมคขลานะก็เล่าต่อไปอีกว่ามาผู้มีบาป ค, ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาว่ากะกปุสันธอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรียกพิสุททั้งหลายมารับสั่งว่าพิสุทั้งหลาย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 สหรคุดด้วยเมตตาแผ่ไปทิ่ที่1อยู่ให้เจริญเมตตาไปในทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สที่4ก็ฉะนั้นเป็นจิตที่มีเมตตาอันกว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้เป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่พยาบาทแผ่ไปสู่โลกทั้งมวลโดยแผ่ไปในที่ทุกแห่งในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเ บ, บื้องต่ําเบื้องขวางก็แนะนําให้เจริญแบบในเมตสูรนะนะนะผู้เจริญเมตตานั้นนะ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 จเจริญมุทิตากับเขาที่เขาพ้นจากความทุกข์นะมุทิตากับสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่ำเบื้องขวางเป็นต้นนะนะในทุกทิศแล้วก็จเจริญอุเบกขาเนี่ยนะว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขาจากไปตามกรรมของเขาจเจริญอุเบกขาไปในทุกทิศเหมือนกันอยู U ่เถิดเพราะฉะนั้นพระพิสูจนเหล่านั้นเนี่ยก็เจริญเมตตาเนี่ยนะพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ ย, นะนนยอันพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวากะปุกสันทะทรงสั่งสอนพระ่มสอนอยู่อย่างนี้พิสูจนเหล่านั้นเวลาไปสู่ป่าสู่โคนไม้เรือนว่างก็มีจิตสหรคตไปด้วยเมตตาพระพิสูจน์เหล่านั้นปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกประการมานผู้มีบาปนะนะพระมหามโมคลานะเล่าให้ฟังนะก็คื อ, คอเล่าไปเรียกชื่อไปเนี่ยนะเราเรียกชื่อบอกมารผู้มีบาปครั้งนั้นทูสีมาร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 ก็เลยคิดว่าเอานะจะไปชวนชาวบ้านว่าพอเทินท่านทั้งหลายมาสักการะคารบนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเชิดฉะไ น, นนถ้าภิกษุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะคารบนับถืออยู่มีจิตเป็นอย่างอื่นหมเขาว่าถูกลาบสักการะครอบงำโดยประการที่ถูสีมาลจะได้ช่องมารผู้มีบาปก็ได้โอกาส คิดแสวงหาโอกาสเอางี้ก็กันเรียกว่าขุน้วยลาบสักการะให้เต็มที่เดี๋ยวใจจะเป็นอื่นเสร็จเราไงามารผู้มีบาครั้งนั้นแลทูสีมานก็ชักชวนพราหมณ์ขึ้นหาบดีเหล่านั้นว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาพิสูจทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเถิด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 มารผู้มีบาปสมัยนั้นแหล ม, มนุษย์เหลา่าใดกระทํากาละไปมนุษย์เหล่านั้นเมื่อกายแตกตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยมา ก, ก น, นะเพราะว่าชมผู้มีศีลบูชาท่านผู้มีศีลนะช่วงไหนที่ด่าตําหนิผู้มีศีลช่วงนั้นก็ตกนรกกันมากหน่อยช่วงไหนที่บูชาผู้มีศีลก็โดยมากก็ขึ้นสวรรค์มานมารผู้มีบาปครั้งนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ก, กัคุสันทะเนี่ยนะ ผู้เป็นพระารหันตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเรียกพิสูุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกพรามหมณ์เครหาบดีอันทูสีมานเนี่ยชักชวนชักชวนชาวบ้านว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาพิสูุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเถิดแม้เชนไหนเมื่อพิสูุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถืออยู่ก็พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยประการที่ทูสีมานพึ่งได้ช่อง ภิกษุทั้งหลายพระองค์ก็สอนนะสอนพระภิกษุว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นภายในกายว่าไม่งามมีความสําคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกลูนมีความสําคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถิดเขาบอกว่านี่เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนอราริยริษณ์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 นะเพราะอะไรเพราะถูกด่าตลอดเนี่ยนะวัตคิดเป็นอื่นเนี่ยก็มารได้โอกาสนะมารคือกิเลสมานได้ช่องก่อนให้อยู่ด้วยเมตตานะทีนี้ถ้าหากว่าตรงกันข้ามมานเข้าให้มาบูชาสักการะเคารพกราบไหว้มากๆขึ้นเพื่อจะได้อำไม่ได้ทําด้วยเจตนาดีนะแฝงด้วยความชั่วร้ายอยู่ภายในอ่าพระองค์ก็บอกว่าเอางี้นะเธอทั้งหลายจงเจริณาสุภาษเถอร์ก็หนึ่งสองเธอทั้งหลายเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเธอร์ ข้อเธอทั้งหลายเจริญสัพพะโลเกอณภิรตสัญญาความที่โลกทั้งมวลไม่น่าเพลิดเพลินเถิดแล้วก็อย่างที่สีเธอทั้งหลายเจริญอนิจจานุปัสนาอยู่เธอร์เจริญอนิจจสัญญาอยู่เธอร์อันนี้เขาบอกว่าเมื่อสิ่งที่เรียกว่าไม่ปฏิกูลทุกอย่างน่าพอใจหมดเลยเพราะลาภสการะสรรเสริญชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะที่เขามาเคารพ บ, บูชาหน้าเพลิดเพลินให้ท่านให้เ ธ, เ, ธเธอเจริญอสุภะให้มาก จเจริญอาหารเรปฏิกูลให้มากจเจริญสัพพะโลเกียนาพิรตสัญญาให้มากจเจริญอนิจจสัญญาอยู่เทิดมามาดูก่อนมาผู้มีบาปภพิกโสเหล่านั้นอันผ้าอรหันต่สมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันธะ ทรงสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้เพราะนันพิสูจ์เหล่านั้นไปสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างก็เจริญก็พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามด้วยอสุภะพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารด้วยอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาเห็นว่าโลกทั้งปวงไม่น่ายินดีด้วยสัพพาโลเกอนพิรตาสัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงสัพพสังขารเรโซอนิจสัญญาเนี่ยนะ ดูก่อนมารผู้มีบาปครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาวกากุสันทะผู้เป็นท่าหันตสำบาสมพุทธเจ้าครองสบงถือบาตและจีวรมีท่านพระวิธุระเป็นปัจฉาสมณนะมีท่าหันตสาวอัครสาวกข้างขวาในี่เดินตามเสด็จเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบินทบาตดูก่อนมารผู้หลามกครั้งนั้นทูสีมานก็เข้าสิงเด็กคนหนึ่งนะพระโมคคลานะเอ อดีตชาติของท่านเนี่ยนะฮะช่องจะเล่นงานพระพุท ธ, ทธเจ้าหาช่องที่จะเล่นงานสาวกใครจะคิดนะว่ากลับเดียวกันนี่จะมาเป็นอักระสาวกใช่ไหมเพรา ะ, ะพระโมคขลานะประวัติของท่านมีแต่คนมาหาเรื่องว่าถามว้าทําไมก็เกิดมาคือหาแต่เรื่องกับเขาในอดีตนะนั่นก็กรรมมสะโกมหิเนี่ย น, นะตามสมควรแก่กรรมทำอย่างั้นแต่ก็ตอนที่ท่านเป็นท้าวทหารแล้วท่านก็ไม่ไม่หวั่นไหวนะแต่ว่าชาติเนี่ยที่ไปหาเรื่องพระพุทธเจ้า หาเรื่องพระอัครสาวกเนี่ยนะนนวันหนึ่งเราอยากจะแกล้งพระ ก, ก็ทำไงดีก็เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนดินคว้างศีรษะท่านพระทุระเนี่ยสีสะแตกจับก้อนหินปลาซะหัวแตกเลยดูก่อนมารผู้มีบาป ค, ครั้งนั้นท่านวิทุระศีรษะแตกเลือดไหลเดินตามสเสด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะตามไปข้างหลังหัวแตกเลือดอาบนี่แหละเดินตามพระพุทธเจ้าต่อไป ดูก่อนมานผู้มีบาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทชัมเลืองดูเหมือนช้างชายตาดูมันก็ว่าเหลือบตาดูซะหน่อยแล้วพระองค์ก็ตัสว่าทูสีมานเนี่ยไม่รู้จักประมาณเลยนะพระองค์ตัดพุทธพจน์คําเดียวแล้วแหละดูก่อนมานผู้มีบาป และทูสีมานเคลื่อนแล้วจากที่นั้นจุติจากปารนิมมิตาวสวัสดีทันทีเข้าถึงมหานรกพร้อมด้วยกิริยาที่ชำเลืองดูไม่ได้โกรธนะหรือเออไม่รู้ประมาณเลยเนาะคือคือกรรมที่ทํากับพระอาัคารสาวกเนี่ยมันรุนแรงมากนะเจตนาตัวนั้นมันหยาบชา ม, มากไม่สา ม, มารถรักษาสวรรค์สมบัติเอาไว้เลยจุติจากสวรรคตกนรกทันทีนะไม่ใช่พระองค์โกรธนะพระองค์ไม่ได้โกรธเลยกเล็เหลือบตาดูเออเนาะไม่รู้ประมาณตัวเลย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 ทวารใจจะมีเรื่องอะไรมันดีบ้างเขาบอกเลยเรียกว่าฉะภาษ า, ายะภิตวิกากรมีแต่ความเจ็บปวดอย่างเดีย ว, ส, ยวสังกุสมาหัตะปัจจตะเวทินากาิกะแอกว่าเป็นความเจ็บปวดที่รู้เฉพาะตัวจริงๆแบ่งความเจ็บปวดอันนี้ให้ใครไม่ได้ยาแก้ปวดช่วยไม่ได้เพราะงั้นนะปวดลึกซึ้งมากนะ ดูก่อนมารผู้มีบาป ค, ครั้งนั้นพวกนายนิรยาบาลเข้ามาหาเราเพรามาณที่มารผู้นั้นใช่ใครที่ไหนกว่าเรานี่แหละนะบอกว่าเมื่อใดแ ล, ลาวแล้วและก็หลาวเหล็กกับหลาวเหล็กเนี่ยมารวมกันที่กลางหะไทยของท่านเมื่อนั้นท่านเพิ่งรู้ว่าเราไม่อยู่ในรลกพันปีแล้ว มายก็เขาปักเลาเหล็กตั้งแต่ตั้งแต่ข้างหัวข้างท้ายแล้วมันจะค่อยเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนมาเรื่อยๆถ้ามันมารวมกันที่อกเมื่อไหร่นะพันปีอะไรแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวทีนะนะดูก่อนมารผู้มีบาปเรานั้นแหลมหมกไหมอยู่ในนรกนั้นนะ่ะหลายปีหลายรย้อยปีหลายพันปีและหมกไหมอยู่ในอุตสุธาณรกบริวารของมหานรกนั้นแหลอีดเสวยทุกขเวทนานหนักกว่าก่อนอีกหนึ่งหมื่นปี และเจ็บปวดต่ออีกหมื่นปีนะอยู่ในมหานรกหลายพันปีแล้วบริวารอีกหลายหมื่นปีมีศีรษะเหมือนศีรษะมนุษย์นะเขาบอกว่ามีศีรษะเหมือนศีสระมนุษย์ก็มีมีศีรษะเหมือนศีรษะปลาก็มีแปลว่าถูกทุบหัวประจําเลยเพราะอะไรเพราะว่าแอบเอาก้อนเหินปลาศีรษะพระอรหันต์เนี่ยนะอันนั้นมันเจ็บหนูใครจะมีบุญได้ทําขนาดนั้นเลยนะ เวลาบาปมันให้ทนเนี่ยนะจปวดมากเลยนะตกนรกเป็นหมื่นๆปีดีว่าสั่งสมบุญในอดีตชาติอ่ะนะสร้างความปรารถนาไว้จริงๆก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยพยากรพระโมคคัลลานะแล้วว่าบางองค์นี่พยากร บ, บอกท่านพ้นจากนรกและจะมาเป็นพระสาวกเพราะนั้นความที่ท่านจะชอบทำกรรมอะไรประเภทโหดๆอย่างนี้แหละแต่ก็บุญก็ทาอ่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าบาปก็ไม่เลิอกอนะ่ะเพราะนั้นมาชาติมันก็ทุบไม่อีกไงนะนะ อีกชาติหนึ่งอ่ะนะชาติหลังนั้นมาก็ทุบแม่ทุบแม่ก็กลับเออเรียกว่าจากนรกสู่นรกเนี่ยนานแล้วก็พวกเขาทุบตายเนี่ยติด ต, ดตดกันมาอย่างชาติที่เป็นธรานมหาโมคคลานะถูกทุบครั้งที่ร้อยเนี่ยน ะ, ะถ้าถ้าไม่ปรินิพานก่อนเนาอีกหลายชาติโอ้ยบางอย่างนะทําครั้งเดียวก็เกินพอแล้วใช่ไหมกินตลอดไปนะเคยเห็นไหมโบราณเขาบอกปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกไว้เม็ดเดียวที่เหลือกินขนุนชั่วลูกชั่วหลานเข้านะั้น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 เจตนาก็นึกว่าอยากเป็นใหญ่เช่นกับพย ม, มานเข้าถ้าเป็นใหญ่ที่เป็นพย ม, มานช่วงที่มีผ้าอารหันต์แบบนี้เนี่ยโหอันตรายมากก็คือมาเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยขี้มันไส้ไปทุกคนไปหมดเนี่ยนะนี่ไปมันไส้ผ้าอารหันต์เข้าเลยเดือดร้อนเลยครับเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ตรัสไปอ่ากล่าวเป็นคาถาว่าทูสีมานคืออดีตชาติของขั้นเนี่ยนะ ปทุสรายพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใด น, นรกนั้นเป็นเช่นไรทูสีมานปทุสรายสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใด น, นรกนั้นเป็นเช่นนี้และเล่าให้ฟังว่าสภาพของนรกเป็นยังไงเนี่ยนะแต่ไม่ต้องไปนะได้ยินได้ฟังเอาไว้เฉยๆก็พอ บอกว่ามีหลาวเหล็กเนี่ยร้อยหนึ่งหลาเหล็กเนี่ยนะเป็นร้อยว่างั้นเธอเคยเห็นเขาอกวปิ้งปลามันหลาเดียวใช่ไหมอันนี้มันแบบมันเสียบยิ่งกว่าเป็นร้อยร้อยอันนะล้วนแต่ให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเคยเห็นคิดง่ายไก่ถูกเสียบนะเคยเห็นไก่ไก่หมุนไหมคล้ายๆแบบนั้นไก่เสียบแล้วก็หมุนหมุนหุนไปอันนั้นแล้วเสียบเป็นร้อยๆเนี่ยนะมันจะหมุนไปยังไงไม่ทราบ มันก็ล้วนแต่ให้ความเจ็บปวดไอไก่นั้นมันไก่ตายเขายัางชั่วนะถ้าไก่เป็นเนี่ยมันจะเจ็บปวดขนาดไหนไม่ตายอะ่ะมันสัมผัสตรงไหนก็แล้วไม่ใช่ไม่ไม่ถูกปิ้งเนี่ยนะถูกปิ้งเขาบอกว่าไอไฟที่เขาปิ้งไก่เนี่ยนะมันไม่ถึงร้อยองศาถึงไหมเพอาะเขาต้องลดเอาเอ า, เอาขี้เท่าเอาอะไรบ้างไปลดลดนะนะเขาค่อยๆระบายความร้อนใส่เข้าไปเข้าไปก็ไปถ้าไฟมันแรงมากมันก็ไหมแต่อันนี้เป็นหมื่นองศาเนี่ยไงตรงไหนบางที่ไม่เจ็บปวดมัน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 เพราะฉะนั้นเรารู้จักนรกนั้นดูก่อนมานมานผู้ประทุสล้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ท่ามกลางสะมีความตั้งอยู่ตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพลทูลมีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชดช่วงเป็นประพัดสอนพวกนางอับซรมีสีต่างๆกันเป็นอันมากฟ้อนรําอยู่ที่วิมานเหล่านั้นดูก่อนพิสูจน์ใดผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นดูก่อนมาน ถ้าหากว่าท่านประทุสร้ายผู้รู้จักก็คื อ, คอหลานเนี่ยนะถ้ามาประทุสร้ายลุงเนี่ยเดือดร้อนแน่เาะงั้นจะประสบะจะประสบทุกข์อย่างหนักแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเล่ารายละเอียดว่าพระโมกขลานะเนี่ยท่านท่านทําอะไรบ้างนะก็คนพาลคนพาลเนี่ยนะมาเข้ากองไฟที่กําลังลุกโชนย่อมเดือดร้อนอยู่ว่า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 เทวดาเนี่ยสิงมนุษย์ได้นะสิงได้แล้วว่าสิงเอามาทำบาทนี่สิเดือดร้อนเลย